ถ้าหาว่าเราแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนเร็วเราก็พอจะอปฏิบัติได้แต่บางครั้งมันสู้กิเลสภายในภายในใจไม่ไหวเพราะความอยากเพราะความอยากเพราะว่ารู้ว่ามันรู้ว่ามันผิดอยู่แต่มันต้านทานกิเลสภายในใจของเราไม่ได้เพราะมันอยากเพราะมันอยากขึ้นมาแล้วกันนะ ทำความเวลวเลยสินะกิเลสราคะนอมันก็ไปถลําไปในทางชั่วกิเลสโทสะก็รู้อยู่ว่ามันเลวอยู่เอแต่ก็ทําไปเพราะมันโมโหมันหลังไม่อยู่กิเลสโมหะไม่ต้องพูดถึงคือความหลงมัวเมาทํามันหลงซะก่อนมันจึงรักรักไปในทางที่ไม่ถูกต้องถารักตามทํานองคลองทำ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 มีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าตัวนั้นอะสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่จะคลี่คลายดูตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นรู้ไลยว่าตัวนี้คือตัวราคะตัวนี้คือตัวโทสะตัวนี้คือตัวโมหะที่มันทําให้จิตใจกลิ้งเหมือนลูกลูกฟุตบอลหาที่จบที่สิ้นไม่ได้เพราะกิเลสพามันเตะ